ด้านสาธารณสงเคราะห์การก่อสร้างถาวรวัตถุอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนดังกล่าวมาข้างต้นนับเป็นส่วนหนึ่งของงานสาธารณสงเคราะห์ของเจ้าพระคุณสมเด็จยังมีงานสาธารณสงเคราะห์ของเจ้าพระคุณสมเด็จในลักษณะอื่นอื่นอีกมากที่ควรนำมากล่าวในที่นี้คือ ทรงตั้งกองทุนชื่อว่านิทิน้อยคชวัตรเพื่อเป็นอนุสอนแก่พระชนกชนนีของพระองค์ซึ่งมีนามว่าน้อยด้วยกันสำหรับเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาของภิกษุสา ม, มเณรและเยาวชนเจ้าพระคุณสมเด็จมักส่งปรารภว่าเราไม่มีโอกาสเรียนจึงอยากส่งเสริมคนอื่นให้ได้เรียนมากๆโดยเฉพาะพระชนนีคือนางน้อยนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จได้แสดงกตัญญูสนองคุณโดยนำมาอุปการะดูแลอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลากว่า10ปีจนถึงแก่กรรมเมื่อพุทธศักราช 2,508 เจ้าพระคุณสมเด็จทรงรักเคารพพระชนนีมากส่วนพระชนกถึงแก่กรรมตั้งแต่พระองค์ทรงยาววัยพระชนนีเย็บอาสนะผ้าถวายพระองค์ผืนหนึ่งแต่ครั้งยังเป็นพระป ร, ะรยน เพื่อส่งใช้สอยและสรงใช้มาตลอดแม้จะเก่าแล้วก็ทรงวางไว้ใต้อาสนะผืนใหม่ที่ส่งใช้เมื่อทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วอาสนะผืนดังกล่าวพระองค์ก็โปรดให้วางไว้ใต้ที่บรรทมเคยมีเด็กจะเอาไปทิ้งเพราะเห็นเป็นผ้าเก่าๆมีรับสั่งว่านั่นของโยมแม่เอาไว้ที่เดิม อีกเรื่องหนึ่งที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างเจ้าพระคุณสมเด็จกับพระชน น, นีคือเจ้าพระคุณสมเด็จเคยเสวยมากเป็นประจำเพราะพระชน น, นีทำถวายทุกวันเมื่อพระชนนีถึงแก่กรรมขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสพลก็หยุดเสวยมากแต่นั้นมาทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการกุศลต่างๆหลายมูลนิธิกล่าวคือ มูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อนมูลนิธิสังฆประชานุเคราะห์มูลนิธิพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยมูลนิธิแผ่นดินธรรมมูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูจิตใจผู้ติดยาเสพติดเป็นต้นที่นับว่าสำคัญก็คือทรงพระดำริให้จัดสร้างตึกสกลมหาสังฆปารินายกถวายเป็นพระอนุสอ์ แด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์รวม19พระองค์ในถิ่นที่ขาดแคลนสถานพยาบาลกระจายไปในจังหวัดต่างๆทุกภาคของประเทศพร้อมทั้งโปรดให้สร้างพระรูปของสมเด็จพระสังฆราชทั้ง19พระองค์ประดิษฐ์ไว้เป็นที่ศักการะบูชาประจำโรงพยาบาลที่สร้างถวายเป็นพระอนุสรณ์แต่ละแห่งด้วยโรงพยาบาลสกลมหาสังฆปริณายก ทั้งสิบเก้าแห่งดังกล่าวได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี้ 1. ตึกสกลมหาสังฆปรินายกหนึ่งณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพ ร, ราชกุชิตนารายจังหวัดกาลสินถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บสีวัดระคังโคสิตารามหมายเหตุผู้อ่านสีในที่นี้ เขียนด้วยสอสาลารอเรือสารีนะครับ 2. ตึกสกลมหาสังฆปรินายกสองณโรงพยาบาลละหานสรายจังหวัดบุรีรัมถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บสุขวัดมหาธาตุ 3. ตึกสกลมหาสังฆปรินายกสาม ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บมีวัดมหาธาตุสตึกสกลมหาสังฆปรินายกสณนะโรงพยาบาลเพนจังหวัดอุดรธานีถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บสุขญาณสังวรวัดมหาธาตุ หตึกสกลมหาสังฆาปารินายกห้โรงพยาบาลแม่จันจังหวัดเชียงรายถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บดอนวัดมหาชาติ 6. กตึกสกลมหาสังฆาปารินายก6โรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บนาควัดราชบูรณนะ เดตึกสกลมหาสังฆปรินายกเจโรงเรียนพระปริยาติธรรมวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ถวายเป็นพระอนุสอนแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชินโนรสในวงเล็บพระองค์เจ้าวาสุกรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 8. ดตึกสกลมหาสังฆปรินายก8ณโรงพยาบาลหนองยาบล้องจังหวัดเพชรบุรี ถวายเป็นพระอนุสอนแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรนในวงเล็บพระองค์เจ้าเริกวัดบวรนิเวศวิหาร9ตึกสกลมหาสังฆปรินายก9ก้าณรงพยาบาลชนบุรีจังหวัดชนบุรีถวายเป็นพระอนุสอนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บ สาปุสทเทโววัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมาราม 10. ตึกสกลมหาสังฆปรินายกสิบณรงพยาบาลนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสในวงเล็บพระองค์เจ้ามนุษยานาคมานบวัดบวรนิเวศวิหาร สิตึกสกลมหาสังฆปรินายก11บณโรงพยาบาลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชิ น, นวรนสิริวัฒหม่อมเจ้าผู้ชงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 12. ตึกสกลมหาสังฆปรินายก12ณโรงพยาบาลขุนยวมจังหวัดแม่ห้องสอน ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บแพติสัทเทโววัสุทัศเทวราราม 13. ตึกสกลมหาสังฆปริญายก13ณโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรอําเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยา น, นวงศ์ในวงเล็บหม่อมราชวงศ์ชื่นณพะวง์ วัดบว น, นิเวศวิหาร14ตึกสกลมหาสังฆปรินายก 14. ณ่ณโรงพยาบาลอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ถวายเป็นพระอนุสรนแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บปลดกิติโสภโนวัดเบญจมบวพิษดุสิตวานาราม 15. ตึกสกลมหาสังฆปริณายก15ณโรงพยาบาลตราด จ, จังหวัดตราด ถวายเป็นพระอนุศน์แด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บอยู่ยานทโยวัตสเกต 16. ตึกสกลมหาสังฆปารินายก16บโรงพยาบาลภูกระดึงจังหวัดเลยถวายเป็นพระอนุศน์แด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บจวนอุทายีวัดมงกุฎกษตรยาราม 17ตึกสกลมหาสังฆปรินายก17ณโรงพยาบาลลานส ก, กาจังหวัดนครศรีธรรมราชถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บปุลปุลณสิริวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสิบตึกสกลมหาสังฆปรินายก18ณโรงพยาบาลชัยยาจังหวัดสุรา ธ, ธานี ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บวาดวาสโนวัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม 19. ตึกสกลมหาสังฆปรินายก19ณโรงพยาบาลท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒโน วัดบวรนิเวศวิหาร